พิธีมาคะบูชาแต่ว่าบังเอิญปีนี้มันแปดสองหนก็ต้องได้เลื่อนไปเดือนสีน่เพนต้องเลื่อนมาคะบูชาไปเดือนสีน่เพนเดือนสี่เพนนี้เป็นกลางเดือน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 2,500 รูปตั้งแต่ครั้งนั้นพระโอวาทโดยย่อที่ทรงแสดงนั้นก็ทรงสั่งสอนให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำระจิตใจให้ข่องใสสะอาด จากกิเลสบาปประธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทยอย่โอวาทที่เป็นจนวนมากๆนั่นก็มารวมลงในโอวาทย่อย่สามอย่างนี้เองนะไอที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมหลายเรื่องหลายรส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 แสดงไว้นั้น น, นนะตนได้ละแล้วหรื อ, อยังหรือว่ายังทําอยู่นี่แหละทรงความประสงค์จะให้มาสํารวจตรวจตราดูตนของตนเองนี่ให้รู้ให้เข้าใจให้รู้เรื่องของตัวเองหมายพาว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าบาปอย่างนี้อย่างนี้ตนได้ละมาแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้ละ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 สามข้อนั้นข้อสุดท้ายจึงว่าการฝึกผลอบรมจิตให้ผ่องใสสะอาดนี่นับว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าคนในยุคใดสมัยใดในกลับใดกันใดก็ตามที่ล่วงมาแล้วก็ดี หรือที่จะเกิดต่อไปเบื้องหน้าก็ก็ดีกระวนตั้งแต่มีกิเลสตัณหาอาวิชชาต่างๆมูนี่แหละติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันถึงได้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าพูดง่ายๆว่า อวิชาตัญหานั่นนะมันปั่นจิตใจของคนเราให้จิต ใ, ใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้างสลับกันไปอย่างนี้โดกลงว่าคนห น, หนึ่งที่ท่องเที่ยวมาในสงสารเนี่ยเมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะทมแล้วมันก็ทำทัางกรรมดีทำทั้งกรรมชั่ว พร้อมกันมาไอ้บางคนก็บางชาติก็ทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วก็มีทีนี้บางชาติก็อาจจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็มีมันจะบคานาไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์เรานะทั้งนี้ก็เพราะว่ามันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้ความฉลาดยังไม่ได้อบรมจิตใจ ให้สงบระ ง, งับให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเดียวว่าเป็นจิตสามัญธรรมดาทั่วๆไปบบนี้มันก็เกี่ยวกับการสังคมกันอีกด้วยแบบนี้นะการครบหาสมาคมบางชาติที่เกิดมาบังเอิญได้มาได้คบกับคนผ่านเข้าไปคนผ่านก็ชักจูงให้ไปกระทำความชั่ว เช่นนี้มากกว่าการกระทำความดีหลังจากหมดอายุสังขารแล้วกรรมชั่วนั่นมันก็นำไปสู่ทุกในอาบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมินึงมีนรกเป็นตน้นบางชาติเกิดมาในโลกนี้แล้วได้มาพบกับนักปราด บ, บัณฑิตได้สมาคมกับนักปราด บ, บัณฑิต นักปราชญ์ท่านก็จะแนะนําให้แต่ทําแต่ความดีทางใดเป็นทางแห่งความชั่วท่านก็จะแนะนําให้ละให้เว้นไปเมื่อได้ปฏิบัติตามโอวาทของนักปราชญ์นั้นแล้วผู้นั้นก็จะได้มีบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจข้งตน้นมากกว่าบาปในชาตินั้นเราว่าเป็นผู้สังสม บุญกุศลอะไรไดมากกบบาปเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนั้นก็จะนำดวงขีดนี้ไปเกิดในที่มีความสุขความสบายไปถ้าเกิดมาเป็นคนก็นเลยว่าเป็นผู้สมบูรณ์โดยลาบยศสนเสริญมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผ่องใสมีสติปัญญาดีก็ด้วยอานิสงส์ที่ ได้คบหาสมาคมกับคนดีคนดีแนะนําให้กระทําความดีได้หลายอย่างอานิสงส์อันนั้ออนแหละมันติดตามมาตกแต่งให้อย่างผู้ที่ได้มีศรัทธาเข้ามาบทเรียนในพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เข้าใจว่าแต่ก่อนนั้นก็คงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามา ถ้าไม่ได้ออกบวชก็ได้รักษาศีลอุโบสถการรักษาศีลอุโบสถเสมอไปนี่ท่านว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยในเกิดไปชาติต่อไปนั้นก็จะได้บวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนาดรียว่าใจน้อมไปใ น, นข่ำ ม, ม, มัติบารมีเพราะว่าการรักษาอุโบสถศีล น, นี่มันเป็นการ เว้นจากความเพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณทั้งหลายมีแต่ใจน้อมไปสู่ความสงบระงับข้อบัญญัติในอุโบสถในศินอุโบโสถแปดประการ น, นั้นในสามข้อตอนปลายนั้นกระลวนตั้งแต่เป็นข้อบัญญัติห้ามเพลิดเพลินในกามคุณทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในอานิสงส แห่งการรักษาโสถนี่มันจึงส่งให้ให้มีจิตใจน้อมไปในทางบวชเมื่อนายในการครองเรือนถ้าว่าผู้ใดไม่คิดว่าจะรักษาศีลโสถเลยสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยว่าอย่างมีก็มีแค่ศีลห้าเท่านั้น เมื่อเกิดไปชาติใดพบใดก็จะเป็นผู้ครองเลือนอยู่นั้นแหละไม่คิดที่จะออกบวชเพราะไม่มีบุญกุศลอันสูงกวัวนั้นมากระตุ้นเตือนใจให้คิดน้อมไปในทางเหนกขมมะบารมีดังกล่าวนั้นก็ได้คลองเลือนอยู่นั้นจนตลอดชีวิตมัน เรียกว่าบุญกรรมนี่ยุติธรรมมากทีเดียวแหละผู้ใดทําบุญกุศลประเภทใดบุญกุศลประเภทนั้นมันก็ทําหน้าที่ของมันไปตามประเภทของบุญนั้นแหละผู้เคยเป็นนักบวชมาตะก่อนเอา้าเกิดมาชาตินี้ก็พอใจในการบวช อ, อย่างนั้นแนหะผู้ที่ชอบใจในการคลองเลือนมาแต่กอนเกิดมาชาตินี้มันก็มาพอใจในการคลองเลือน ผูกพันอยู่กับเรือนได้ทำบุญทมกุศลไปตามกำลังของผู้ครองเรือนบางท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์อยู่ตอนที่เป็นเครอหอขัดอยู่นั่นแหละพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบลง ก, สลก็สำเร็จอรหันต์เลยก็มีสำเร็จอรหันต์แล้ว มาพิจณาดูสังขาร น, นี่มันชีวิตนี่ไม่มันหมดลงแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยทีถ้าพิจนาเห็นว่าอายุสังขาร น, นี่ยังมีอยู่ท่านก็ขอบวชกับพระศาสดาเมื่อได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าไปแล้วก็มีชีวิตอยู่สืบต่อไปได้จนหมดอายุสังขาร ก็จึงดับขันเข้าสู่พานิพานไปแต่ผู้ที่สำเร็จอรหันเป็นครือหัดนี่มีจำนวนน้อยเดียวไม่มากไอ้ผู้สำเร็จอรหันที่ได้ออกบวชนี่มีมากมายมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจการประพฤติในขัมมะบา ร, รมีนี่นะมันจึงถือว่าเป็น การประพฤติที่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเลยเออพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นสถานที่รองรับดวงจิตของบุคคลผู้เห็นโทษในการมคุณทั้งหลายผู้เห็นโทษในความผูกพันอะไรต่ออะไรอยู่กับโลกสงสารอันนี้น ะ, ะเห็นว่ามันยุ่งเหยิงมันเป็นทุกข์มากมันมีแต่ทุกข์ มันไม่มีสุขคำว่าสุขก็สุขชั่วคราวไม่ได้สม่ำเสมอไปเลยมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขโลกสันิวาตอันนี้แต่อาศัยกิเลสตัณหามันย้อมจิตใจของคนทำให้คนชื่นชมยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกสมมติ กันว่าน่ารักใคร่น่าพอใจต่างๆที่มันจะยินดีพอใจอยู่กับเค้ามันตกอยู่ภายใต้อํานาจของอวิชชาตันหานี่เองผู้ใดที่ไม่ตกอยู่ในอํานาจของอวิชชาตันหานี่ผู้นั้นจักไม่หลงไหลไปผูกพันยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกเขาสมมุติว่าสวยๆงามงาม เหล่า wow. นั้นเลยเพราะว่าเมื่อเพิกอวิชาออกจากจิตใจนี้แล้ววิชาคือความรู้มันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องส ah ัมผัสต่างๆวันน uh ี้ก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกกลับไปทั้งที่เป็นส่วนหยาบก็ดีเป็นส่วนปานกลางก็ดี เป็นส่วนละเอียดประนีประงออย่างไรก็ตามมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนสักหน่อยเดียวเมื่ออวิชชาดับไปวิชาความรู้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นความจริงของสิ่งที่ดวงจิตนี่เคยผูกพันมันมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะอะมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยแบบนี้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 มันก็ยังพอทำเนามีเวลาสางได้ง่ายหน่อยส่วนเมารักเมาความยินดีพอใจอยู่ในโลกอันนี้นี่มันนานหายจริงๆน ะ, ะมันนานหายมันเมานานยิ่งกว่าเมาเหล้าแต่มันเมาวันนี้ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วที่ล่วงแล้วมา ก็ยังไม่สั่งเมาสักทีถ้าว่าพูดถึงความหิวมันก็หิวมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันที่ร่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่อิ่มเนี่ยลองคิดดูแล้วไม่ทราบว่าจะหิวกันไปถึงไหนกันบัด น, นี้หิวแล้วรับประทานรับประทานอิ่มไปแล้วนอนก็ อ, อยากอีกก็หิวอีกอ ได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ใหม่มาอา่าวดีอกดีใจเอามานุ่ง ม, มาห่มเข้าไปเหงื่อใครถกเข้าไปซักเข้าไปเข่ามองไปทำรูดไปอา้าวนอ น, นก็อยากได้คู่ใหม่มาสวมใส่เข้าอีกแล้วอใช่ไปใช่ไปก็ทำรูดไปแล้วก็เกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เปียบให้ฟังไอความหิวใน การมาคุณอื่นๆมันก็เหมือนกันนี่เลยเหมือนกันเลยไม่แปลกกันเลยนั่นนล่มันหิวอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยถ้าว่ามันเที่ยงแล้วมันก็คงไม่หิวแน่ได้อะไรมาแล้วก็เที่ยงยั่งยืนไม่มีชำรุดสุดโทงไม่มีเศ้าหมองเลยอย่างนี้นะมันก็คงไม่หิวกันแหละอ่ามันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ย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 แม้แต่วัตถุภายในคืออัตภาพร่างกายอันนี้เหมือนกัน เ, นเมื่อแรกเริ่มใหม่ๆ ม, มามันก็รู้สึกว่าเป่งปั่งดีรูปร่างกายอันนี้ผิวพรรณวันหน้าในกรพุทพงศ์เต่นสามสอกออกสามวากินได้นอนหลับอดีทุกสิ่งทุกอย่างคันเมื่ออยู่นานปีนานเดือนานานวันเข้ามาเท่าไรอะ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 อยาดได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่คำนึงถึงอัตภาพร่างกายอันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตนี้เลยนั่นเนยเรือนร่างนี้มันจะปีปัดแปรปนมันจะแตกจะดับเมื่อไรไม่ได้คำนึงถึงเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงละตันหาความอยากไม่ได้เลยเนื่องจากมันไม่ได้มาก ควรกระแสจิตเข้ามาภายในมาพิจารณาอัตภาพร่างกายอันนี้มันไม่พิจารณาเลยเมื่อมันพิจารณามันก็ไม่เบื่อนหน่ายเมื่อเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความอยากความปรารถนาในโลกสงสารอันนี้อันนี้เมื่อเวลาความเจ็บไข้ไม่สบายมาถึงเข้านั่นแหละวันนี้ ถ้าที่ตนไม่ได้มาพิจรารณาร่างกายอันนี้ให้รู้เท่าลวงหน้าไว้มันก็มีแต่ความทุกข์ความโศกมีแต่กลัวตายแบบนี้นะเจ็บหนักเข้ามาแล้วก็กลัวตายแล้วใจมันผูก พ, พันอยู่กับสิ่งใดก็เรียกร้องหาสิ่งนั้นเหมือนอย่างไอผู้หญิงคนหนึ่งแต่นะอดีตการณนั่นแหละได้สามี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 กอดปล้ำกันเข้าไปนายโจรก็ล้มลงฝ่ายสามีของนางนี่ก็เรียกให้ภรรยาเอาดาบมาให้บ้านี้ภรรยาะไปเห็นโจรนายนั้นเข้าเกิดรักให้นายโจร น, นั้นก็เลยเอาด้ามดาบให้นายโจรเอาปลายดาบให้สามีของตัวเองนายโจรก็เลยสังหารสามีของตัวเองให้ตายลงไป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 เมื่อหญิงเขาได้ไปเห็นชายอื่นมันก็จะพอใจกับชายอื่นแล้วก็จะนัดชายอื่นมาฆ่าเราให้ตายเหมือน ก, นกันกับสามีเก่าของแกนั่นแหละอว่าแล้วนายโจรก็ลวงภรรยาบอกว่าเรือที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นนะมันลำเล็กขี่ได้คนเดียวเท่านั้นน่ะ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 นกโดว่ามันร้องมาผัวเอ้ยผัวเอ้ยน่ยนะนั่นแหละเพราะมันอะไรผัวตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นคิดถึงท้งผัวเก่าแล้วคิดถึงเรื่องผัวใหม่เอาผัวใหม่ทอดทิ้งแล้ววันนี้ก็คิดถึงผัวเก่าโอ้ยถ้าหากว่าเราเอาดำามาบให้ผัวของเราเสียแล้วเราก็จะไม่ได้พัดภากากผัวพนวะ วันนี้ก็ร้องให้คำควรหาผัวอันนี้แหละขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ที่มีใจผูกพันอยู่ในกรรมคุณนี่เป็นจิตใจที่หลอกแหลกเล้วไหลใจไม่ตั้งมั่นเลยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกคนนะให้พึ่งพาการฝึกฝนจิตใจของตน ให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วก็จะได้รู้แจ้งความจริงของชีวิตดังพรรณนาให้ฟังมานั่นแหละเราถึงจะพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้